สุดท้ายก็เลิกกันเล่ฉันไม่เหลือใครครึ่งชีวิตหายไปแค่คำคืนจากคนรักฉันไกล ความรู้สึกนี้จากนี้ต้องเก็บไว้รักที่อยู่ในใจมันกล้า อยู่เพื่อใครไม่รู้เลยอยากกลับไปรักกันเหมือนที่เคยคงทำได้เพียงในฝันความรู้สึกดีดีจากนี้ต้องเียบไวรับที่อยู่ใน Oh.